หนังสือที่ชุดใหม่ที่แจกในวันนี้ที่มีชื่อว่าทำชุดเตรียมพร้อมนี้เป็นหนังสือที่หลวงตามหาบัวญาณสัมปโนวัวดปาด่าบ้านตาดได้แสดงโปรดศรัทธาญาติโยมท่านหนึ่งที่เป็นโรคมะเร็งแล้ว ศัทธาท่านนี้ก็ขออนุญาตไปอยู่ปฏิบัติเพื่อเตรียมใจให้รับกับการสิ้นสุดของร่างกายหลวงตาท่านก็โปรดเมตตาเทศให้เกือบทุกคืนเพื่อสอนให้รู้จักวิธีทำใจให้ปล่อยวางร่างกาย เพราะการปล่อยวางร่างกายได้จะทำให้ใจสงบจะทำให้ใจไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความตายของร่างกายเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามีสาระมากสำหรับผู้ปฏิบัติทุกๆ ท, ท่านเพราะว่า ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายนี้ก็คือข้อสอบนี่เองถ้าทําการบ้านแล้วเข้าห้องสอบแล้วสอบผ่านได้ก็จะสบายแล้ไม่ต้องมีความทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายเลยเพราะใจสามารถปล่อยวางร่างกายได้ใจแยก ตนเองออกจากร่างกายได้ด้วยอำนาจของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงเป็นผู้ตัดสรู้เห็นเป็นคนแรกว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากดินน้ำลมไฟ เป็นสิ่งที่พ่อแม่เป็นผู้ผสมดินน้ําลมไฟให้ธาตุของพ่อและธาตุของแม่มาผสมกันแล้วก็จะเกิดเป็นร่างขึ้นมาใหม่ร่างนี้ก็เป็นดินน้ํำลมไฟทํามาจากดินน้ําลมไฟจเจริญเติบโตได้ด้วยดินน้ําลมไฟมี ที่มีความอยากที่จะได้รูปเสียงกลิ่นรสปุถุตภะได้ตาหูจมูกเพี้นกายมาครอบครองร่างกายอันนี้เพื่อจะได้ตอบสนองต้านหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปุถพตภะแต่ผู้ที่มาครอบครองร่างกายกับร่างกายนี้ เป็นคนละสวนกันเนื่องแต่เนื่องจากใจของผู้ที่มาครอบครองนี้ถูกอวิชชาโมหะความไม่รู้ความจริงความหลงที่หลอกให้คิดว่าร่างกายนี้เป็นใจเป็นตัวเราของเราพอเกิดความหลงแล้วก็เกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเกิดตัณหาความอยาก ให้สิ่งที่เป็นตัวเราของเหล่านี้อยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันที่จะจากเราไปจึงทำให้ไม่คิดถึงความจริงว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นของชั่วคราวเป็นสิ่งที่เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปในที่สุด ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสู้ความจริงอันนี้มาลบล้างความหลงอันนี้สัตว์โลกทั้งหลายก็จะต้องทุกขไปกับการแก่การเจ็บการตายของร่างกายเหมือนอย่างที่พวกเรากำลังทุกขกันอยู่ทุกวันนี้แต่ถ้าเราน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ มาสอนใจมาดึงใจให้ออกจากการยึดติดในร่างกายมาละความอยากในร่างกายที่จะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายนี้ออกไปจากใจด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาที่เป็นเครื่องมือ ที่จะแยกร่างกายออกจากใจที่จะทำให้ใจปล่อยวางร่างกายได้ที่จะทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่ร่างกายเช่นความแก่ความเจ็บความตายได้อันนี้เป็นพระบรารมี พระคุณของพระพุทธเจ้าที่มีต่อสัตว์โลกทั้งหลายถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้ความจริงสัตว์โลกทั้งหลายก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายซ้ําแล้วซ้ำํำอีกเพราะว่าไม่รู้ความจริงว่าตนเอง กำลังถูกความหลงหลอกให้เดินเข้าหากองไฟหลอกให้เดินเข้าหากองทุกข์เพราะไม่เคยพิจารณาถึงความแก่ถึงความเจ็บถึงความตายไม่เคยพิจารณาความจริงของร่างกายว่าเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่ใจไม่ใช่ตัวเราของเรา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 ที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้และร่างกายนี้ไม่มีคุณค่าอันใดแก่จิตใจไม่ได้ทำให้ใจมีความสุขไม่ได้ทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์แต่กลับทำให้ใจทุกข์ทำให้ใจต้องแบก ความทุกข์ของร่างกายและของสิ่งต่างๆไปอยู่เรื่อยๆความจริงแล้วสิ่งที่มีคนมีประโยชน์กับใจก็คือความสงบของใจนี้เองที่ไม่มีใครรู้กันนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายการที่จะได้ความสงบได้ความสุข เกิดจากความสงบของใจนี้ก็ต้องเกิดจากการรู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่ใจไปหลงไปคิดว่าเป็นความสุขนี้ว่าเป็นความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่จะไม่สามารถให้ความสุขได้อย่างแท้จริงไม่เหมือนกับความสุขที่จะได้รับ จากการทำใจให้สงบการจะทำใจให้สงบก็จำเป็นที่จะต้องหยุดการหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกเพราะถ้ายังหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในภายนอกใจอยู่ใจก็จะไม่มีหวันซิที่จะสงบได้ใจจะสงบได้ก็ต่อเมื่อใจหดเข้ามาข้างใน ใจไม่ออกไปข้างนอกเวลาออกไปข้างนอกก็จะต้องไปสัมผัสนับรู้กับเหตุการณ์ต่างๆที่มีทั้งเจริญและมีทั้งเสื่อมที่จะทําให้ใจต้องตื่นเต้นหวาดเสียวดีอกดีใจเสียอกเสียใจไปกับเหตุการณ์ต่างๆเพราะเหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้ ไม่ถาวรไม่นิ่งไม่คงเส้นคงวางเหมือนเดิมตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีทั้งเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เร็วลงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งได้เพราะเป็นธรรมชาตินั่นเอง เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆอย่าง ต, ตอนนี้เราก็มีอากาศหนาวแล้วต่อไปก็จะมีอากาศร้อนแล้วต่อไปก็จะมีฝนฟ้าตกนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติที่เป็นอย่างนี้มาแต่นั่งเดิม ใจที่มาสัมผัสรับรู้ก็จะมีการชอบอย่างนี้ชอบอย่างนั้นไม่ชอบอย่างนี้ไม่ชอบอย่างนั้นพอไปสัมผัสกับสิ่งที่ชอบก็ดี อ, อกดีใจเวลาไปสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ชอบก็จะเสีย อ, อกเสียใจก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าตาบใดจะยังออกไปหาสิ่งต่างๆภายนอกใจอยู่ <c oughs> ก็จะต้องเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้เสมอเพราะเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติที่จะต้องมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีการเจริญมีการเสือ่อมมีการเกิดมีการดับเสมอถ้าไม่อยากที่จะต้องสัมผัสรับรู้กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ หรือสัมผัสรับรู้ด้วยใจที่สงบใจที่ไม่มีอารมณ์ด้วยก็จำเป็นจะต้องดึงใจให้เข้าข้างในให้ได้การบำเพ็ญจิตถภาวานาคือสมถภาวานาและวิปัสสนาภาวานานี้ก็มีไว้เพื่อที่จะดึงใจให้เข้าข้างในให้เข้าสู่จุดที่สงบ จุดที่เย็นจุดที่สบายจุดที่ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าใจได้อยู่ตรงจุดนี้แล้วใจจะไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายนอกไม่ว่าอะไรจะเจริญหรืออะไรจะเสื่อมอะไรจะเกิดอะไรจะดับจะไม่เป็นปัญหากับใจ ตั้งอยู่ในความสงบตั้งอยู่ในความรู้สักแต่ว่ารู้ไม่มีความคิดรุงแต่งไม่มีอคติต่อสิ่งต่างๆคือไม่มีความรักไม่มีความชังไม่มีความกลัวไม่มีความหลงมีแต่อุเบกขาสักแต่ว่ารู้อยู่เฉยๆรับรู้ แล้วก็ผ่านไปสิ่งต่างๆนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนับเดียวแล้วก็ผ่านไปเช่นเสียงที่ดังปั๊บแล้วก็หายไปรูปที่ได้เห็นปั๊บก็หายไปสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเขามาแล้วก็ไปถ้าใจรับรู้เฉยๆไม่ไปมีความหลงไปรักไปชังไปกลัว ก็จะไม่มีทุกข์แต่ถ้าไม่มีถ้ามีความหลงก็จะพอสัมผัสรับรู้ก็จะเกิดความรักเกิดความชังเกิดความกลัวขึ้นมาทันทีเราจึงต้องมาแก้ความหลงด้วยการดึงใจให้เข้าไปสู่จุดที่ไม่หลงคือจุดที่สัตว์แปลว่ารู้นี่เองจุดที่เป็นอุเบกขา ที่เราเรียกว่าสมาธิอัปปนาสมาธิใจสงบนิ่งว่างมีแต่ความเย็นความสบายสักแต่ว่ารู้เท่านั้นอันนี้คือขั้นต้นของการบำเพ็ญสมถะภาวนาของการบำเพ็ญภาวนาเพื่อทำให้ใจนี่ ไม่ไปทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆเราถึงต้องหมั่นเจริญบำเพ็ญสัมมาฏฐภาวนาคือทำใจให้สงบให้ได้การจะทำใจให้สงบให้ได้ก็จำเป็นจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนกับการจับลิงเข้ากรงถ้าเราจะจับลิงเข้ากรงถ้าเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเช่นเชือก เราจะไม่สามารถที่จะได้จับลิงได้เพราะลิงนี่เขาจะเร็วกว่าเราหลายเท่าแต่ถ้าเรามีเชือกที่เราสามารถคล้องคอลิงไว้ได้พอคล้องคอลิงไว้ได้เราก็สามารถลากลิงให้เข้าไปในกรงได้ในเบื้องต้นอาจจะยากลำบากหน่อยเพราะว่า กว่าจะคล้องคอหลิงได้แต่ละครั้งนี้มันก็ไม่ง่ายแล้วคล้องแล้วบางทีมันก็หลุดก็ต้องพยายามคล้องเอาเชือกมาคล้องคอหลิงให้ได้ถ้าคล้องคอหลิงได้แล้วทีนี้แล้วเชือกไม่หลุดจากคอของลิงเราก็จะสามารถลากลิงลงให้เข้าไปอยู่ในกรงได้ พอเราจับลิงเข้าไปอยู่ในกล้งได้แล้วลิงก็จะไม่หนีไปไหนลิงก็จะต้องนั่งอยู่เฉยๆเราก็ไม่ต้องมาคอยตามไล่จับลิงอีกต่อไปลิงตัวนี้ก็คือใจของพวกเรานี่เองส่วนเชือกที่เราจะคล้องคอลิงนี้ก็คือสติสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญที่สุด ในการบาเพ็ญจิตตภาวนาถ้าเราไม่มีสติแล้วเราจะไม่มีเครื่องมือที่จะจับลิงเข้าไปอยู่ในกรงได้ถ้าเราจับลิงเข้าไปอยู่ในกรงไม่ได้เราก็จะสอนลิงไม่ได้ขั้นต้นเราต้องจับลิงเข้าไปอยู่ในกงรงพอลิงอยู่ในกรงแล้วขั้นต่อไปก็สอนลิง ให้เห็นโทษของการไปวุ่นวไปยุ่งกับเรื่องราวต่างๆดังนั้นในเบื้องต้นธรรมะที่สำคัญที่สุดในการบำเพ็ญจิตตภาวนาก็คือการเจริญสติเราต้องหาเชือกมาเส้นหนึ่งเชือกที่มีกำลังแข็งแรงที่ไม่ขาดง่ายๆแล้วเอามาคล้องคอเลงให้ได้ พอค้องคอลิงได้แล้วเราก็จะได้ลากลิงเข้าไปอยู่ในโครงได้พอจับลิงเข้าไปอยู่ในโครงแล้วเราก็จะสั่งสอนเลงได้สั่งสอนให้รู้ว่าอะไรเป็นโทษกับลิงอะไรเป็นคุณกับลิงพอลิงรู้แล้วว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษเราก็ปล่อยลิงออกจากโครงได้ทีนี้เราไม่ต้องไปคอยไล่ ไล่จับไล่ตามเลงพราะลงจะไม่ไปทำอะไรที่จะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมานี่คือใจของพวกเราเป็นอย่างนี้ขั้นต้นเราต้องใช้สติคล้องคอใจแล้วลากใจให้เข้าไปในกรงก็คือให้เข้าไปสู่สมาธิให้อยู่เฉยๆนิ่งๆให้มีความสุขมีความเย็นมีความสบาย มีความอิ่มเอิบใจพอใจพอใจมีความสงบมีความอิ่มใจพอใจแล้วก็มาสอนใจให้รู้ถึงโทษของความอยากความอยากที่เป็นตัวที่จะทําให้ใจนี้รุ่มร้อนใจวุ่นวายใจกระสับกระส่ายวิตกกังวลห่วงใย กินไม่ได้นอนไม่หลับหวาดภวาอาการต่างต่างเหล่านี้เกิดจากความอยากของใจกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นกับร่างกายกับร่างกายก็อยากจะไม่แก่อยากจะไม่เจ็บอยากจะไม่ตายพอมีเหตุการณ์อะไรที่จะมาะกระทบกับความอยู่ปกติ สุขของร่างกายก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาทันทีแต่ถ้ามีปัญญามีความฉลาดมีความรู้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ว่าจะดูแลรักษาอย่างไรป้องกันอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะไปยับยั้งไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้ ถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจทรมานใจก็ต้องอย่าไปอยากไม่ให้ร่างกายมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต้องปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาจะแก่ก็ปล่อยเขาแก่ไปเขาจะเจ็บก็ปล่อยเขาเจ็บไปเขาจะตายก็ปล่อยเขาตายไปถ้าไม่มีความอยากแล้วจะ ไม่มีความถูกใจแล้วก็ความอยากนี้ก็จะไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงความจริงของสิ่งต่างๆได้ของร่างกายเช่นของร่างกายไม่มีใครเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไม่ให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ร่างกายยังไงยังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่เรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่าง ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆมีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับนี่คือการสอนใจหลังจากที่ใจมีความสงบแล้วถ้าใจยังไม่สงบนี้สอนใจใจก็จะไม่ฟังจะไม่รับรู้จะดื้อจะฝืนจะไม่ทำตามที่ ที่ที่สอนไว้เช่นตอนนี้ใจพวกเราได้ฟังเทศฟังธรรมกันเราได้ยินได้ฟังได้รู้แล้วว่าความอยากต่างๆนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจเพราะว่าจะไม่ได้สมอยากเพราะสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นั้นจะต้องมีการเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไปได้มาแล้วก็ต้อง สูญเสียไปเวลาสูญเสียไปก็จะต้องทุกข์ทรมานใจเราได้ยินได้ฟังแล้วแต่เราก็ยังดือ้อเราก็ยังอดที่จะอยากไม่ได้ยังอยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ยังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ยังอยากเป็นอย่างนั้นยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็เพราะว่าใจของเรายัางดื้ออยู่ ยังไม่มีความสงบสิ่งที่ทาให้ใจเราดื้อก็คือกอิเลสตัณหาความหลงความอยากต่างๆนี่เองแต่ถ้าเราทาใจให้สงบแล้วเราก็จะตัดกาลังของความหลงของความอยากต่างๆให้เบาบางลงไปให้อ่อนกำลังลงไปพอที่จะทำให้เรา ปฏิบัติตามคำสอนของพ่ะพุทธเจ้าได้คือลดละปัญหาความอยากต่างๆลงไปได้พอเราลดแล้วละแล้วเราก็จะเห็นผลที่เกิดจากการลดละคือจะทําให้ใจเราหายทุกเราก็จะมีกําลังใจที่จะลดละความอยากต่างๆที่ยังไม่ได้ลดละต่อไปจนลด รับได้หมดเลยอันนี้คือเรื่องของการบําเพ็ญจิตตภาวนามีสองขั้นด้วยกันขั้นแรกเรียกว่าสามถภาวนาขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาเบื้องต้นก็ต้องเจริญสมถภาวนาเพื่อตัดกําลังของความหลงของความอยากให้อ่อนกําลังลงไปก่อน พอความหลงความอยากมีกำลังน้อยลงไปอ่อนกำลังลงไปก็จะไม่มีแรงต้านทานคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ละความอยากต่างๆคือให้ละกามะตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลภิภให้ละภาวตัญหาความอยากมีอยากเป็นให้ละวิภาวตัญหา ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเวลาเกิดตัญหาตัวใดตัวหนึ่งขึ้นมาก็น้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนใจมาต่อสู้กับความอยากแล้วก็จะสามารถหยุดความอยากได้เพราะจะเห็นว่าการทําตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์การไม่ทําตามความอยากเป็นการดับความทุกข์ เป็นการสร้างความสุขความสงบให้แก่ใจดังนั้นในเบื้องต้นเราต้องพยายามทำใจให้สงบให้ได้สมถตภาวนานี้เป็นธรรมที่สำคัญอย่างมากสมัยที่หลวงตามาบัวท่านไปกราบข อ, อนืญาตปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่มัน่หนหลวงปู่มั่นท่านก็เมตตาสอนว่า น้องตานี่ได้ศึกษาปริยัติธรรมมาจนถึงขั้นป ร, ริยนสามแล้วป ร, ริยนสามประโยคเป็นมหาแล้วคาว่ามหาก็เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู้ในธรรมมากแล้วแต่ธรรมที่ได้เรียนรู้มานี้ยังไม่สามารถมากําจัดความอยากมาทำลายความอยากได้ เพราะว่าใจยังไม่มีกำลังใจยังดือ้อใจยังต่อต้านคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ดังนั้นสิ่งแรกที่ควรจะทำในตอนนี้ก็คือให้เจริญสติให้มากเพื่อทำใจให้สงบให้ได้เพราะว่าถ้าใจยังไม่สงบนี้ใจจะต่อต้านคำสอนของพระพุทธเจ้า จะไม่เชื่อคำสอนของพพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราละปัญหาต่างๆดังนั้นถ้ามีความรู้มากมายขนาดไหนที่ได้เรียนมาจากพ่อไตรปิฎกความรู้เหล่านี้ยังไม่สามารถที่จะเป็นประโยชน์กับใจของเราได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ใจของเราเข้าสู่ความสงบแล้ว ความรู้เหล่านี้จะมาทำให้เราสามารถะละกิเลสตัหาต่างๆได้ทำให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆได้นี่คือคำสอนที่หลวงปู่มั่นได้สรงได้ได้สอนให้กับหลวงตาตอนที่หลวงตาไปขออนุญาตอยู่ปฏิบัติศึกษากับหลวงปู่มัน่น หงปู่ม่านท่านบอกท่าไม่ประมาณความรู้ที่เราได้เรียนรู้จากหนังสือแต่มันเป็นเพียงความรู้ที่ไม่สามารถที่จะมาทําประโยชน์ได้กับใจที่ยังไม่มีไม่มีสมาธิไม่มีความสงบแต่ถ้าใจมีความสงบแล้วความรู้ต่างๆเหล่านี้นจะเป็นความรู้ที่จําเป็นต่อการทาลายกิเลส ต, ตัญหา ต่ออการบรรลุมรรคผลนิพพานความรู้นั้นจะเป็นประโยชน์หลังจากที่ใจมีความสมงบแล้วเพราะว่าจะสามารถปฏิบัติตามคำรู้ความรู้นั้นได้พระพุทธเจ้าสอนให้ละสังโยชน์ก็จะละได้เช่นละส ก, กายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลพัตตะป a r a m ละปฏิฆะละกา马拉ฆะละ รุปาราคาอารูปาราคาละอุทธจัจจะละมารณละอวิชชานี่คือสังโยชน์คือสิ่งที่ผูกจิตใจของสัตว์โลกให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดถ้าอยากจะหลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องละสังโยชน์ทั้งสิบข้อนี้ การที่จะละสังโยชนั้งสิบข้อนี้ได้ในเบื้องต้นก็ต้องมีใจที่สงบก่อนเมื่อใจสงบแล้วก็ศึกษาวิธีละแต่ละข้อที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนแล้วเมื่อนำเอามาใช้มาสารใจใจก็จะละสังโยน ต, ต่างๆได้เนี่ยเกณนสังโยนข้อที่หนึ่งที่สอนให้ละอ่ สักกายะทิฏฐิก็คือความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรานี่เองเวทนาความเจ็บของร่างกายนี้เป็นเราเราเป็นผู้เจ็บอันนี้เป็นความหลงเพราะความจริงแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเวทนาก็ไม่ใช่เราความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายก็ไม่ใช่เราเป็นผู้เจ็บไข้ได้ป่วย ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็คือร่างกายที่ไม่ใช่เป็นเรานี้เองถ้าเราพิจารณาดูร่างกายเราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นอะไรนอกจากดินน้ำลมไยแล้วการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายก็คือการแปรปวนของดินน้ำลมไฟนั่นเองผู้ที่มารับรู้คือใจไม่ต้องไม่ได้เจ็บไปกับร่างกาย ไม่ได้เป็นอะไรกับร่างกายแต่ไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ถูกความหลงหลอกให้คิดว่าเป็นร่างกายก็เลยต้องเจ็บไปกับร่างกายต้องแก่ไปกับร่างกายต้องตายไปกับร่างกายทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเวลาร่างกายตายไปใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็แยกกับร่างกายไป ใจก็ไปตามอำนาจของตันหาความอยากของความหลงที่พาให้ไปรับผลอุนรับผลบาปต่อไปแล้วก็พาให้กลับมาเกิดใหม่มามีร่างกายใหม่มาเวียนว่ายตายเกิดใหม่ก็ทำอย่างนี้มาเป็นไม่รู้กี่ล้านรอบแล้วท่านถึงเรียกว่าวัฏะวนวัฏะสงสารเวียนว่ายตายเกิด อยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะละสักายะทิฏฐิได้ละว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเวทนาความเจ็บปวดของร่างกายนี้ไม่ใช่เราเป็นผู้เจ็บปวดพอเราละได้แล้วเราก็จะละความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายได้ พอเราเห็นความจริงว่ามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมันไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าเปรียบเทียบมันก็เป็นเหมือนคนไข้ส่วนเราก็เป็นเหมือนหมอที่ดูแลคนไข้หมอก็ดูแลคนไข้ไปตามอาการให้ข้าวให้น้ำให้ยาไปส่วนคนไข้จะเป็นจะตายอย่างไรนี้หมอก็ทำอะไรไม่ได้ห้ามอะไรไม่ได้ถ้าคนไข้จะตายหมอก็ทำอะไรไม่ได้ ถ้าคนไข้จะอยู่หมอก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามความจริงของร่างกายถ้าดูแลร่างกายเหมือนกับหมอดูแลคนไข้ผู้ดูแลก็จะไม่วุ่นวายใจไม่ทุกข์ใจเพราะรู้ว่าไม่ได้เป็นตัวเราของเรานั่นเองคนไข้จะหายหรือไม่หายจะอยู่แล้วจะตาย หมอไม่มาวุ่นวายใจไม่มาทุกใจหมอก็เพียงแต่มีหน้าที่ดูแลรักษาร่างกายไปเท่านั้นเองใจก็มีเพียงหน้าที่เท่า น, นี้เองก็คือมีหน้าที่ดูแลเลี้ยงดูรักษาร่างกายไปร่างกายจะอยู่ต่อไปได้ก็อยู่ไปถ้าอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยให้ตายไปถ้ารักษาให้หายได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไป แต่ใจจะไม่ไปเดือดร้อนกับร่างกายนี่คือวิธีที่เราจะละสักกายทิฏฐิจะทําอย่างนี้ได้ก็ต้องมีใจที่เป็นอุเบกขาคือใจที่มีสมาธินี้เองใจที่สงบเวลาใจที่สงบแล้วใจจะวางเฉยได้จะสักแต่ก็รู้เฉยๆเหมือนกับเราดูร่างกายของคนอื่น เวลาเราดูร่างกายคนอื่นเขาจะเป็นอย่างไรนี่ใจเราไม่มีความรู้สึกไม่มีอารมณ์ด้วยฉันใดร่างกายของเรากับร่างกายของคนอื่นก็เป็นแบบเดียวกันเป็นเพียงดินน้ําหนลมไฟเป็นอาการสามสิบสองไม่มีอะไรมากไปกว่า น, นั้นความหลงที่มาหลอกให้เราไปปรุงแต่งว่าเป็นตัวเราของเรา เป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นพี่เราเป็นน้องเราเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราเป็นลูกเราเป็นตัวเราเป็นของเราอนี่นี่คือความหลงหลอกให้เราต้องมาทุกข์กับร่างกายของเราและของคนอื่นถ้าเราใช้ปัญญามาสอนใจจนสามารถทาลายความหลงได้เราก็จะเห็นว่ามันเป็นเพียงอาการสามสิบสอง มันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมันไม่มีเป็นของใครมันเป็นของดินน้ำลมไฟยืมมาจากดินน้ำลมไฟแล้วอีกสักวันหนึ่งในวันอนาคตข้างหน้าก็จะต้องคืนดินน้ำลมไฟไปร่างกายนี้เวลาตายไปแล้วดินน้ำลมไฟก็กลับคืนสู่ที่เดิมของเขาน้ำก็กลับไปหาน้ำลมก็กลับไปห า, ล ม, ล, ปหาลมไฟก็กลับไปหาไฟ ดินก็กลับไปหาดินนี่คือวิธีที่เราจะใช้ความรู้ของพระพุทธเจ้ามาสอนสอนใจของเราหลังจากที่เราได้ความสงบแล้วได้ใจที่มีสมาธิแล้วแต่คำ ว, ว่าได้ความสงบนี้ไม่ได้หมายความว่าในได้ในขณะที่อยู่ในสมาธิในขณะที่ใจอยู่ในสมาธินี้ไม่ใช่เป็นเวลาที่จะสอนใจ เป็นเวลาที่ต้องปล่อยให้ใจสงบไม่ต้องไปรบกวนใจเพราะเป็นการพักผ่อนหลับนอนของใจเหมือนกับเวลาที่เรารับพักผ่อนหลับนอนเราจะไม่อยากให้ใครมาปลุกให้เราลุกขึ้นไปทำงานทำการเราต้องรอเขาต้องรอให้เรานอนหลับให้พอก่อนพอเรานอนหลับพอแล้วเราตื่นแล้ว ทีนี้เราจะมีกำลังวังชาเพราะร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วเราก็สามารถออกไปทำงานทำการได้เป็นกอบเป็นกรรมถ้าเรายังนอนพักผ่อนไม่พอแล้วถูกปลุกให้ขึ้นไปทำงานเราก็จะทําแบบงัวงเงียททำแบบไม่มีกำลังที่จะทําก็จะไม่ได้ผลนั้นการคำว่ามีความสงบแล้ว ถึงแฝงออกพิจารณานี้หมายความว่าเวลาเรานั่งสมาธิแล้วทําใจให้สงบเวลาใจสงบเป็นอุเบกขาสักแต่ว่าเราไม่ปรุงแต่งเวลานั้นเราอย่าไปทําอะไรไปล่อยให้นั่งไปสงบให้นานที่สุดจนกว่าใจจะถอนออกจากความสงบแล้วมาเริ่มคิดปรุงแต่งพอมาคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่อง น, น, องนี้เวลานั้นน่ะถึงจะเป็นเวลาที่ เราต้องเอาความคิดปรุงแต่งมาคิดไปในทางธรรมะไปคิดมาคิดไปในทางคำสอนของพ้าพระเจ้าเช่นพิจารณาร่างกายว่าเป็นเพียงดินน้ำลมฝฟมาจากธาตุของพ่อของแม่แล้วก็มาจากอาหารที่มารดาหล่อเลี้ยงอาหารที่อยู่ในในท้องก็เป็นดินน้ำลมฝฟพอออกจากท้องแม่มาก็มาเติมดินน้าลมไฟต่อ ดื่มนมดื่มน้ำรับประทานข้าวแลของเหล่านี้ก็เป็นดินน้ําหลมใฝ่แล้วก็จเจริญเติบโตขึ้นมามีอาการสามสิบสองขึ้นมามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกให้พิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้เห็นว่ามันเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้าหลมใฝ่ที่มาผสมกันแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นอาการสามสิบสอง แล้วต่อไปเวลาร่างกายนี้หยุดหายใจก็จะเห็นการแยกของาธาตุต่อไปเวลาเอาร่างกายนี้ไปเผาก็เป็นการเป็นการแยกาธาตุเวลาเผาร่างกายน้ำที่เหลืออยู่ในร่างกายก็จะต้องระเหยหมดไปไฟก็จะถูกไหม้จนหมดไปลมก็จะหายไปพอไฟดับก็จะเหลือแต่ขี้เถ้ากับเศษกระดูก ที่เป็นส่วนดินนี่เองนี่เป็นการแยกธาตุในวาระสุดท้ายให้เราพิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะได้ละความหลงที่ไปคิดว่าเราเป็นร่างกายหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือให้เราแยกชิ้นส่วนอาการสามสิบสองออกมาเป็นกองๆไว้เอาผมมากองไว้กองหนึ่งเอาขนมากองไว้กองหนึ่ง เอาเล็บเอาฟันเอาหนังมากองไว้เอากระดูกมากองไว้เอาหัวใจเอาตับเอาปอดเอาไตาเอาลำไส้มาแยกกองเป็นกองๆองไว้แล้วถามดูว่าส่วนไหนที่เป็นตัวเราของเราบ้างผมนี่เป็นตัวเราเลยขนนี่เป็นตัวเราเลยเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่เป็นตัวเราเลยถ้าเราแยกอาการ32แยกออกมาเป็นกองกองเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเพียงอาการ เหมือนกับพ่อค้าหมูพ่อค้าวัวที่เขาขายหมูขายวัวในตลาดเขาก็ชำแหละตัววัวออกมาแยกขายมีทั้งเนื้อมีทั้งหนังมีทั้งมีทั้งเครื่องในต่างๆเอามาขายมีตัววัวอยู่ในนั้นไหมมีมีใครเป็นเจ้าของไหมไม่มีใครเป็นเจ้าของมันเป็นเพียงอาการของร่างกายเท่านั้นเองเป็นอวัยวะต่างๆนี่คือการสอนใจ ที่เราจําเป็นจะต้องสอนไว้เรื่อยๆสอนให้จยกระทั่งไม่ลืมเวลาเห็นร่างกายก็จะเห็นเป็นเห็นเป็นศักดิ์แต่ว่าเป็นเพียงอาการสามสิบสองเป็นเพียงดินน้ำหนุนใยเท่านั้นผู้ที่มาครอบครองคือใจนี้ต่างหากที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องแต่ไม่ได้เป็นที่ร่างกายเป็นที่ใจพ่อพ่อแม่อยู่ที่ใจ ลูกหลานสามีภรรยาเขามีใจของเขากันเวลาร่างกายของเขาตายตัวเขาไม่ได้ตายไปกับร่างกายตัวเขาอยู่ที่ใจตัวเขาก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปถ้าเขายัางไม่สามารถที่จะมีดวงตาเห็นธรรมที่จะตัดความอยากต่างๆที่หลอกให้เขาต้องไปเกิดใหม่ได้ แต่ถ้าเขามีดวงตาเห็นธรรมเขาสามารถตัดความอยากต่างๆให้หมดไปได้เขาก็จะไม่ต้องไปเกิดใหม่ต่อไปเขาก็จะไปอยู่ที่เดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้อยู่กันก็คือที่พระนิพพานนี้เองที่เป็นบ้านที่ถาวรเป็นบ้านที่มีแต่ความสุขเป็นบ้านที่ไม่มีความทุกข์ที่เรียกว่าปรมังสุ ข, ขัง นี่คือบ้านของผู้ที่ได้เจริญวิปัสสนาภาวนาจนสามารถทำลายความหลงที่หลอกให้ไปให้หลอกให้ใจไปมีความอยากกับสิ่งต่างๆได้พอไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้องไปหาอะไรมาหลอกตอนเองอีกต่อไปเพราะสิ่งต่างๆที่ตนเองคิดว่าเป็นความสุขนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นได้อะไรมาแล้วก็จะต้องทุกกับ สิ่งที่ได้มาเสมอเพราะสิ่งที่ได้มานี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรได้สามีมาก็ต้องทุกข์กับสามีได้ภรรยามาก็ต้องทุกข์กับภรรยาได้บุตรได้ที่ดามาก็ต้องทุกข์กับบุตรกับธี่ดาได้อะไรมาจะต้องทุกข์กับมันทั้งนั้นได้เงินได้ทองมาก็ต้องทุกข์ทุกข์เพราะว่าเวลาเงินทองหมดก็จะทุกข์ เวลาหมดก็ต้องหาเงินทองใหม่ก็ต้องทุกข์อีกแต่ถ้าไม่ต้องถ้าไม่ต้องการเงินทองก็ไม่ต้องทุกข์กับการหาเงินหาทองไม่ต้องทุกข์กับการดูแลรักษาเงินทองไม่ต้องทุกข์กับการสูญเสียของเงินทองไปอันนี้เราต้องใช้ปัญญาพิจารณาเราถึงจะเห็นเราต้องต้องพิจารณาความเสื่อมของสิ่งต่างๆอย่าไปมองแต่ส่วนที่เจริญเท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่าง uh. มันเป็นของคู่กันมีเจริญแล้วมันต้องมีเสื่อมไม่มีอะไรที่จเจริญ อ, อย่างเดียวมีเจริญแล้วก็ต้องเสื่อมแต่เราไม่มองความเสื่อมกันเราจะมองแต่ความเจริญมองแต่ความสุขกันเราไม่มองความเสื่อมเราไม่มองความทุกข์กันพอไปเจอความเสื่อมไปเจอความทุกข์ก็ทนไม่ได้รับไม่ได้นี่แหละคือการสร้างความฉลาดให้เกิดขึ้น หลังจากที่ใจได้ออกจากสมาธิมาแล้วถ้าใจยังไม่มีสมาธินี่เราจะไม่สามารถสอนใจได้เพราะใจมันจะไม่นิ่งมันจะไม่ยอมฝังมันก็จะพยายามดิ่นหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่เราพยายามจะสอนบอกมันว่ามันเป็นความทุกข์เหมือนเราสอนลูกหลานของเรานี่แหละบอกว่าอย่าไปเที่ยวมันเป็นความทุกข์มันก็ไม่เชื่ออย่าไปเสพยาเสพติด มันเป็นความทุกข์มันก็ไม่เชื่อมันต้องไปทำแล้วมันต้องไปทุกข์มันถึงจะรู้แต่พอมันรู้มันก็สายไปเสียแล้วบางทีมันแก้ไม่ได้แล้วเพราะมันไปติดแล้วติดแล้วก็แก้ยากอันนี้เป็นเรื่องของใจของเราที่ก่อนที่เราจะสอนให้มันฉลาดได้เราต้องทำให้มันสงบให้ได้ก่อน การที่ใจจะสงบได้เราก็ต้องมีสติคอยควบคุมความคิดของเราอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยอย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยให้ใจคิดอยู่กับพุโทโธไปบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปเพียงอย่างเดียวหรือถ้าเราจะใช้ร่างกายเป็นสติเป็นที่ตั้งของสติก็ให้เฝ้าดูร่างกายไปตลอดเวลา ทุกเอรียาบทของการเคลื่อนไหวทุกการกระทําของร่างกายไม่ว่าร่างกายกําลังอยู่ในเอรียาบทใดกระทําอะไรอยู่ก็ให้เฝ้าดูอยู่กับเอรียาบทนั้นกับการกระทํานั้นอย่างเดียวอย่าให้ใจลอยไปที่อื่นเช่นเวลาเรารับประทานอาหารเราก็ต้องอยู่กับการรับประทานอาหารไม่ใช่รับประทานอาหารแล้วก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ อย่างนี้แสดงว่าเราไม่มีสติปล่อยให้ใจลอยไปลอยมาถ้าไม่มีสติเวลามานั่งสมาธิใจจะไม่สงบเพราะใจมันก็จะลอยไปลอยมามันจะไม่ยอมอยู่กับพุทโธหรือมันมันจะไม่ยอมอยู่กับลมหายใจเข้าออกนั่งไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันที่จะสงบได้แต่ถ้าเรามีสติคอยควบคุมใจให้อยู่กับเรื่องเดียวให้อยู่กับร่างกายหรือให้อยู่กับพุทโธ เวลามานั่งสมาธิถ้าให้อยู่กับลมมันก็จะอยู่กับนมให้อยู่กับพุโทโธมันก็จะอยู่กับพุโทโธพอมันอยู่เรื่องเดียวไม่นานมันก็เข้าสู่ความสงบได้พอมันสงบแล้วมันก็นิ่งเฉยสบายไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรพอออกจากสมาธิมามันก็ยังมีความนิ่งความเฉยความสบายอยู่เป็นเวลาที่เราจะเอามาสอนใจได้ สอนให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นดินน้ำลมไฟไม่มีขาระประโยชน์อะไรกับจิตใจมีแต่โทษเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับถ้าไปรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งเวลาเขาดับไปก็จะเสียอกเสียใจเวลาเขาเสื่อมไปก็จะเสียอกเสียใจ ถ้าไม่ไปรักไม่ไปยินดีแล้วเขาจะเสื่อมไม่เสื่อมเราก็จะไม่เสียใจเราก็จะไม่ทุกข์เราจะไม่วุ่นวายใจนี่คือการใช้คําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาสอนใจหลังจากที่ใจได้สมาธิแล้วถ้าใจยังไม่ได้สมาธิสอนไปยังไงใจมันก็ไม่ฝังใจมันก็ไม่เชื่อเหมือนกับสอนเด็กสอนเด็กยังไงก็สอนไปยังไงเด็กก็ไม่เชื่อ เด็กก็อยากจะไปเที่ยวอ ย, อยากจะไปเล่นอยากจะไปหาความสุขกับสิ่งต่างๆแต่เขาไม่เห็นโทษของสิ่งต่างๆที่เขาไปหากันเราต้องให้เขามีความสงบ ก, ก่อนให้เขานิ่งก่อนให้เขาอยู่เฉยๆให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยสอนเขาต่ตอนนี้เรียนไว้ก่อนก็ได้ศึกษาไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อน แต่สิ่งที่สําคัญที่จะต้องทําให้ได้ในเบื้องต้นก่อนก็คือทําใจให้สงบให้ได้ก่อนการจะทําทใจให้สงบได้ก็ต้องมีสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับเพื่อไม่เผลอไปคิดเรื่องอื่นเลยให้อยู่กับเรื่องของร่างกายหรือให้อยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธไปพอมีสติแล้วนั่งสมาธิก็สงบได้ออกจากสมาธิใจก็จะไม่หิวโหวยไม่ ไม่มีความอยากที่รุนแรงก็สามารถสอนใจให้เห็นโทษของความอยากได้ให้ละความอยากได้ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้พอเห็นอนิจจังทุกขงาาังอนัตตาพอเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกสมุทัยนิโรธมากใจก็จะสามารถหลุดพ้นจากความอยากหลุดพ้นจากความทุกได้ใจจะไม่มีความอยากได้อะไรพอเห็นโทษของความอยาก เห็นโทษของสิ่งที่ไปอยากได้ว่าไม่เที่ยงไม่ถาวรไม่สามารถจะให้ความสุขได้อย่างตลอดเวลานั่นเองพอเห็นอย่างนี้แล้วก็สู้กลับเข้าไปอยู่ที่ความสงบดีกว่าอยู่กับสักแต่ว่ารู้ดีกว่าไม่มีอะไรจะดีเท่ากับความสงบ ก, กับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก็จะไม่ต้องทุกข์กับอะไรอีกต่อไป นี่คือผลงานที่พวกเราควรที่จ ะ, ะเข้าหากันให้ได้เพราะเป็นผลงานที่พระพุทธเจ้าได้รับแล้วและพระอาหารหันตราษาวก์ทั้งหลายได้รับแล้วแล้วนำเอามาเผย แ, แผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราเพื่อให้พวกเราได้รับผลงานเช่นนี้เช่นเดียวกันยังขอฝากเรื่องของการมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมแล้วนาเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง นี้ไปบำเพ็ญไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลคือความสงบสุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมกวรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงท่านี้ขออนุมโมทนาให้พรอยาถทาวาเรวะหาปุราริกปุเรนติสาการังเอวเมวะอิตตินงังเปตานาังอุปกัรปติ อิชิตังปัตติตังตุมหังคิดเป้าเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนาราสยาธามาณิโชติอมาสยาธาสัพพิตโยวิวาจานตุสัพพโรโควินาสตุมาเตปวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวา อภิวาทานสีฤสะนิจังมุธาปจายีโนจตารโรธัมมวทานติอายุวันโอสุขังภาลังใครที่เมื่อกี้อยากจะถามปัญหา เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาทีหลังก็ได้ครับนี้ใครอยากจะถามปัญหาก่อนก็ถามได้มีอะไรบ่ามีปัญหาจากเฟซบุ๊กปะบ้าไม่มีครับอาจารย์ น, นี้ไม่มี ม, มีแต่คำปัญหาที่เตรียมมาเาฉยครับแต่เราคนหนึ่งก็ไม่เป็นไรก็ถามไปก่อนก็ได้อ๋อปัญหาที่เตรียมมาครับอาจารย์ชาวพุธอ่าควรจะมี ศรัทธาและปัญญาควบคู่กันไปไม่ควรมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงอย่างเดียวครับถ้าผู้ที่มีทั้งปัญญาและศรัทธาแล้วมีสิ่งไหนที่สมควรมีเพิ่มอีกครับอาจารย์ก็ต้องมีการปฏิบัติเท่นั้นเมื่อเรามีศรัทธามีปัญญาหรือว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ที่จะนาพาผู้ปฏิบัติตาม ได้รับผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่อย่างที่พระพุทธเจ้าได้สงรับพอเรามีศรัทธามีปัญญารู้แน่ใจรู้อย่างแน่ชัดแล้วว่าการดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้านี้เป็นการกระทาที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราเราก็ต้องดำเนินตามก็คือต้องปฏิบัติตามคำสอนที่ทรงสอนให้เราทาบุญละบาปชาระใจให้สะอาด ถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่ได้รับผลเหมือนกับเราไปหาหมอเราเชื่อหมอหมอให้ยาเรามาให้รับให้ยามารับประทานเพื่อรักษาให้เราหายจากโรคภัยไข้เจ็บแต่เราขี้เกียจ ร, รับประทานยาถึงเวลารับประทานยาเราก็ไม่รับประทานยาเมื่อยาไม่ได้เข้าไปสู่ร่างกายของเรา ยาจะวิเศษขนาดไหนหมอจะเก่งขนาดไหนก็ตามก็จะไม่สามารถที่จะรักษาโาครคภัยไข้เจ็บของเราให้หายไปได้โครคภัยไข้เจ็บของใจก็คือความทุกข์ใจต่างๆนี่เองความวุ่นวายใจความวิตกกังวลความหวาดกลัวความากระสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับหงุดหงิดลาคาญใจ เสีย อ, อกเสียใจเศร้าซ้อยงอยเงาว้าเวนี่คือโรคของใจที่จะหายขาดถ้าเรานำเอาธรรมโอสถคือเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติก็เหมือนกับเราเมื่อเราได้รับยาจากหมอมาแล้วเราก็ต้องรับประทานยาตามที่หมอสั่ง หมอบอกให้รับประทานเวลานั้นเวลานี้เราก็ต้องถึงเวลาเราก็ต้องรับประทานนะเวลารับประทานยาเข้าไปยาก็จะได้มีโอกาสทําหน้าที่เข้าไปต่อสู้กับเชื้อโรคที่ทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพอยาได้ทําหน้าที่ก็จะได้ทําลายเชื้อโรคให้หมดไปพอเชื้อโรคถูกทําลายหมดไปแล้วร่างกายก็จะหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วย ใจของเราก็เป็นเหมือนกับร่างกายที่มีเชื้อโรคเหมือนกันเชื้อโรคของใจก็คือความอยากต่างๆความโลภ ค, ความโกรธความหลงนี่เองเราก็ต้องเอาธรรมโอสถเอายาของพระพุทธเจ้าเข้าไปต่อสู้กับเชื้อโรคที่มีอยู่ในใจของเราถ้าถ้าธรรมมีกําลังมากกว่าธรรมก็จะสามารถทําลายเชื้อโรคของใจที่อยู่ในใจให้หมดไปได้ พอทชือโรคถูกทำลายไปหมดแล้วก็จะเหลือแต่ความละใจก็จะหายจากความทุกข์จากความไม่สบายใจใจก็จะมีแต่ความสุขพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้รักษาใจของพระองค์เป็นผู้แรกรู้จักวิธีรักษารู้จักยาที่จะใช้กับการรักษาพอพระองค์รักษาใจของพระองค์ให้หายจากความไม่สบายใจได้หมดแล้ว องค์ก็ทรงนำเอาวิธีการเอายานี้มามาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วเกิดศรัทธาความเชื่อเกิดปัญญารู้ว่ายาของพระพุทธเจ้านี้เป็นยาที่จะสามารถรักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ก็นําเอามารักษาใจของตนพอรักษาหายก็ได้บรรลุ เป็นพระอาหลานตสาวกอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องทําหลังจากที่เรามีศรัธท ธ, ธาความเชื่อมีปัญญามีความมั่นใจว่าเราไม่ถูกหรอกเมื่อเรามีมีศรัท ธ, ธามีปัญญาแล้วเราก็ต้องปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ผลที่เกิดจากการปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติต่อให้เราเชื่อต่อให้เรา รู้ว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องดีงามมันแต่เราไม่นำเอามาปฏิบัติเราก็จะไม่ได้รับผลดังนั้นเราจำเป็นจะต้องปฏิบัติกันทุกคนอันนี้ไม่มีข้อยกเว้นการปฏิบัติของเราก็ปฏิบัติไปตามกำลังของเราจากจุดที่เราทำได้ไปทำทานได้เท่าไหร่ก็ทำไปขอให้ทำไปเรื่อยๆแล้วทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ รักษาศีลได้เท่าไหรตอนนี้ก็รักษาต่อไปอย่าให้น้อยลงไปแล้วก็ให้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆภาวนาได้เท่าไหรตอนนี้ก็ภาวนาไปแล้วพยายามเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆให้จนกระทั่งได้ทําได้อย่างเต็มที่ทานก็ทําได้อย่างเต็มที่การทําทานอย่างเต็มที่ก็ทําแบบพระพุทธเจ้านี่เองก็คือสะละราชสมบัติไปไม่ต้องการอะไรจาก ในโลกนี้แล้วไม่เอาแล้วเรื่องราบยศสรรเสริญเรื่องความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเห็นด้วยปัญญาแล้วว่ามันเป็นทุกข์มันไม่เป็นสุขเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันมีเจริญมีเสื่อมโลกธรรมแปดนี้มีเจริญแล้วก็มีเสื่อมมีการเจริญลาบแล้วก็มีการเสื่อมลาบมีการเจริญยศแล้วก็มีการเสื่อมยศมีการสรรเสริญก็ต้องมีนินทา มีสุขก็ต้องมีทุกข์ตามกันมาถ้าผู้ใดยังติดอยู่กับลาบยศสรรเสริญติดอยู่กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะต้องเจอความเสื่อมของลาบยศสรรเสริญเจอความทุกข์อย่างแน่นอนเวลาเจอความเสื่อมแล้วเวลานั้นน่ะก็จะรู้ว่ามันทุกข์อย่างไรทุกข์เป็นอย่างไรเหมือนกับคนที่ไปติดยาเสพติดแล้วแล้วพอไม่มียาเสพติดให้เสพตอนนั้นน่ะจะรู้ว่ามัน มันทุกอย่างไรมันทรารุณบาอย่างไรแต่ตอนนั้นมันก็จะยากต่อการแก้ไขดังนั้นถ้าเรามีใครมาบอกว่าสิ่งนั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตของเราเป็นทุก์อย่าไปยุ่งกับมันนะถ้าเราเชื่อแล้วเราถอยตัวเราออกมาได้เราก็จะปลอดภัยโลกเดียวสอนให้เราถอยออกจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ เพราะสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของปลอมมันเป็นความสุขปลอมเป็นทรัพย์สมบัติปลอมเพราะมันเป็นของชั่วคราวนั่นเองของแท้ของจริงมันอยู่ภายในใจของเราคือความสงบเราต้องดึงใจให้ออกจากราบยศสรรเสริญออกจากรูปเสียงกลิ่นรสปุพะแล้วดึงใจให้เข้าไปข้างในให้ได้ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธ ด้วยการใช้สติจดจอ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเวลานั่งก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธไปแล้วใจก็จะเข้าสู่ข้างในพอเข้าสู่ข้างในแล้วก็จะได้พบกับของแท้ของจริงพบกับทรัพย์แท้พบกับความสุขที่แท้เพราะเป็นทรัพย์ที่จะไปกับเราอยู่กับเราความสุขก็จะเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปกับเรา ไม่เหมือนกับลาบยศสรรเสริญสุขภายนอกมันจะอยู่เฉพาะเวลาที่มีร่างกายอยู่เวลาและอยู่เวลาที่มันจเจริญเวลามันเสื่อมมันก็จะจากเราไปเวลาเราตายเราก็ต้องจากมันไปนี่แหละคือการเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อด้วยปัญญาว่าเป็นคําสอนที่สอนตรงหลักของความเป็นจริงสอนว่าอะไรเป็นทุกข์ ก็ทุกจริงๆอะไรเป็นสุขก็สุขจริงๆวิธีปฏิบัติที่จะทำให้ได้ความสุขจริงๆก็เป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องจริงๆยังไม่ต้องลังเลสงสัยขอให้เราทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการบำเพ็ญปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเถิดโดยให้เราดูพระอริยสงสาวง์ทั้งหลายเป็นตัวอย่างท่านก็เป็นปุถุชนธรรมดาเหมือนพวกเรามาก่อน แต่พอได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาความเชื่อเกิดปัญญาเห็นทางออกของของชีวิตเห็นทางที่จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงก็เลยทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการบำเพ็ญปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการทำด้วยการปฏิบัติให้ทานรักษาสีนภาวนาไปตามกาลัง เพิ่มไปเทละเล็กเท่าน้อยจนกระทั่งสามารถทำได้เต็มที่เต็มร้อยพอทาได้เต็มร้อยก็สามารถสละทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองออกบวชรักษาศีลได้บริสุดเต็มร้อยภาวนาได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนดลับผลก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างง่ายดายและรวดเร็วดังที่ได้ส่งพยากรณ์ไว้แล้วว่าผู้ใดที่บำเพ็ญอย่างที่พระองค์ได้ทรงสอนให้บำเพ็ญ น, นี้ ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนหรือเจดปีก็สามารถที่จะได้รับผลของการปฏิบัติได้จะมีโอกาสก็เพียงในขณะที่มีาศาสนาพุทธอยู่เท่านั้นถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีาศาสนาพุทธจะไม่มีโอกาสที่จะสามารถปฏิบัติให้ได้ถึงพันธิพาได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจดปีเลยเราให้ปฏิบัติไปเป็นเจ็ดล้านชาติเจ็ดเจกับชาติมันก็จะไม่มีวันที่จะ บรรลุได้เพราะไม่ไม่รู้จักทางนั่นเองปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบคนหลับตาหรือคนตาบอดเดินทางคนตาบอดเดินทางไปคนเดียวนี้เดินไปจนวันตายก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่ถ้ามีคนตาดีมานาทางเดินไปเดียวเดียวก็ถึงพวกเราตอนนี้เป็นเหมือนคนตาบอดที่ได้พบกับคนตาดีมีคนตาดีอาสาจะพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไป ที่เราสามารถไปถึงได้ภายในชาตินี้เลยถ้าเราไม่อฉวยโอกาสที่ดีอันนี้แล้วต่อไปเวลาไม่มีคนตาดีมามามาพาเราไปเราจะไม่มีโอกาสที่จะไปถึงจุดหมายที่ปลายทางที่เราต้องการจะไปได้เลยดังนั้นชาตินี้ยังถือว่าเป็นโอกาสที่เลือดที่สุดแล้วเหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วเพียงแต่ให้เราเดินไปขึ้นรางวัลเท่านั้นเอง ถ้าเราไม่ไปเราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่ได้รับรางวัลแล้วพอหมดอายุพอตายไปจากชาตินี้แล้วโอกาสนี้ก็จะไม่มีอีกแล้วหรือจะมีอีกครั้งก็ไม่รู้อีกเมื่อไหร่เพราะนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏมีพระพุทธศาสนามาปรากฏให้เป็นที่พึ่งแก่ตว์โลกสักครั้งหนึ่งหน้าการเห็นว่าตายเกิดของเราจังหวะที่เราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ได้พบกับพระพุทธศาสนานี้มันก็เป็นของที่ไม่ใช่เป็นของที่ง่ายได้ดังนั้นการที่ได้มาพบพระพุทธศาสนานได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้จึงเป็นสิ่งที่ยากมากยากกายากกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเป็นร้อยครั้งพันครั้งเลยดังนั้นเราได้มีโชคได้มีวาสนาได้โอกาสอันเลิ่นดีแล้วทาไมเรายังมัวไป เสียเวลากับการหาความสุขบลอมหาทรัพย์สมบัติปลอมอยู่กันทำไมทำไมเราไม่เข้าหาสมบัติแท้ความสุขแท้กันด้วยการปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนด้วยการดูตัวอย่างของพระอริยสงสาวกทั้งหลายเป็นแบบฉบับเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นสิ่งที่จะสร้างกำลังใจให้กับพวกเราท่านก็เป็นบุทธชนบุตรชนธรรมดา ท่นก็ปฏิบัติได้บรรลุได้เราเป็นบุตรชนธรวดาถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะบรรลุได้เช่นเดียวกันอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของการมีศรัทธาและมีปัญญาเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อนาไปสู่มรรคผลนิพพานที่เลิศที่ประเสริฐตามลำดับต่อไปเมื่อกี้มีคำถามอะไรเลยค่ะคํา ต, ตอบเยคุณพิรับอ ตอบตอมาก่อนคำถามนะ <c oughs> ก็ดีเหมือนกันพระอาจารย์ครับผู้ที่มันทำทานทำบุญสละออกอยู่เป็นประจำานี่ครับ <c oughs> กับมีความรู้สึกว่ายิ่งจนขึ้นจ น, จ น, จ, นจนลงจนลงทุกวันแต่ในทางกับกันธุรกิจที่ทำอยู่กับเจริญรุ่งเรืองแต่ความรู้สึกว่าตัวเองอะจนลงตลอดเวลาครับพระอาจารย์ ม า, มาข้าวว่างไจนลงตลาดกันนะความความรู้สึกอ่าของผู้ผู้ทำทานอยู่เป็นประจำะครับมีความรู้สึกว่าทำไมเราจนเราไม่ต้องการอะไรเลยเล็กแคบแต่ในทางากลับกันเนี่ยธุรกิจหรืออะไรต่างๆกลับดีอยู่ตลอดเวลาครับอาจารย์ก็ว่าการทำทานนี่ทําให้เรามีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจนั่นเองเป็นการได้รับประทานอาหารของใจพอใจได้รับประทานอาหารก็เหมือนกับร่างกาย ร่างกายได้รับประทานอาหารแล้วก็จะไม่หิวไม่อยากได้อยากจะรับประทานอะไรต้องให้มีอาหารดีขนาดไหนอร่อยอร่อยขนาดไหนถ้ารับประทานอิ่มแล้วก็จะรับประทานไม่ได้อีกแล้วฉันใดใจที่ได้ทําบุญอยู่เรื่อยๆทําทานอยู่เรื่อยๆนี้ก็จะได้รับอาหารใจพอได้รับอาหารใจมากขึ้นไปตามลําดับก็จะเกิดความอิ่มความพอขึ้นมาภายในใจก็จะไม่มีความอยากจะได้ สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่เป็นอาหารของใจนั่นเองได้มาแล้วแทนที่จะทำให้ใจอิ่มกลับทำให้ใจหิวเพราะได้มาด้วยความอยากพออยากได้อะไรแล้วพอได้มาแล้วแทนที่จะพอกลับไม่พอกลับจะอยากได้เพิ่มมากขึ้นไปนี่คือธรรมชาติของใจกับความอยากความอยากจะทำให้ใจหิวมากขึ้นไปเรื่อยๆ ส่วนทานนี่เป็นการทำให้ใจอิ่มเพิ่มมากขึ้นแต่เรื่อยๆดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความอิ่มเอิบใจมีความพอใจมีความสุขใจก็ขอให้เราพยายามทำทานกันบ่อยๆทำทานกันให้มากๆเราจะเป็นอาหารหลอดเลี้ยง จ, จิตใจที่จะทำให้ใจมีกำลังที่จะรักษาสีนได้ที่จะภาวนาได้ถ้าใจไม่มีทานแล้วใจจะหิวกับลาบยกสรรเสริญหิวกับลูกเสียงกลิ่นลดโผฏฐัพพะ ก็จะไม่มีกำลังที่จะไปรักษาศีลจะไม่มีกาลังที่จะไปภาวนาต่อดังนั้นทานจึงเป็นเป็นธรรมะที่สำคัญอย่างมากเป็นรากฐานของการเจริญของธรรมขั้นสูงต่อไปถ้าเปรียบเทียบกับการก่อสร้างอาคารก็เป็นรากฐานของตัวอาคารนี่เองก่อนที่เราจะสร้างอาคารให้สูงให้ใหญ่ได้นี้รากฐานต้องแข็งแรงสามารถรองรับน้าหนักของตัวอาคารได้ ถ้ารากฐานไม่แข็งแรงแล้วสร้างตัวอาคารให้ใหญ่ให้หนักเดี๋ยวก็จะต้องล้มต้องทรุดลงมาอย่างแน่นอนดังนั้นทานจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดในของการในการปฏิบัติในเบื้องต้นจึงเราจึงต้องพยายามเหมือนทําทานอยู่เรื่อยๆอย่าเอาเงินทองที่เราหามาได้ด้วยความเหนื่อยยากนี้ไปสร้างความหิวให้กับใจโดยการไปซื้อของต่างๆตามความอยาก ของที่ไม่จำเป็นให้เราเอาเงินทองที่หามาด้วยความยากความยากลำบากยากเย็นนี้มาทำทานเพื่อจะได้ให้อาหารกับใจเพื่อใจจะได้มีพลังมีกำลังที่จะได้รักษาศีลได้ที่จะได้ภาวนาต่อไปยิ่งยิ่งมีความรู้สึกว่าจนยิ่งมีความสุขครับอาจารย์อ๋ <c oughs> อไม่ต้องมากังวล ไม่ต้องอาศัยเงินทองอยู่กับธรรมะพระพุทธเจ้าก็เป็นเคยเป็นพระพระราชโอรสมีปราสาทสามฤ ด, ดูพระองค์ก็ทรงเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเพราะมันไม่ให้ความอิ่มความพอมันมนยังมีมันยังสร้างความหิวความอยากให้อยู่เรื่อยๆพระอจึงสัตย์ตัดสินพระทยัยว่าจะต้องไปอยู่แบบขอขาทานจะดีกว่าอยู่แบบคนจนดีกว่า อยู่แบบไม่มีดีกว่าแล้วก็ได้พบกับความสุขที่แท้จริงเพราะอะไรครับพระอาจารย์พระพุทธเจ้าเนี่ยถึงต้องนำตัวเองมาลำบากในเมื่อปลายทางของการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือพระพุทธเจ้าเนี่ยปลายทางก็คือพระนิพพานเหมือนกันครับพระอาจารย์ก็ต้อง อยากจะได้พระนิพพานก็ต้องก็ต้อง ส, สละความสุขทางโลกไปนั่นเองเหมือนกับเรามีน้ําชาอยู่ในแก้วเป็นน้ําชาเก่าถ้าเราอยากจะได้น้ําชาใหม่เราก็ต้องเทน้ําชาเก่าทิ้งไปก่อนถ้าเรายังไม่ยอมทิ้งน้ําชาเก่าเราเทน้ําชาใหม่ลงไปในแก้วก็เทลงไปไม่ได้เพราะไม่มีที่ให้มันเทลงไปนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวร เราก็จําเป็นที่จะต้องอทิ้งความสุขที่ปลอนไปก่อนเช่นความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายความสุขจากลาบยศสรรเสริญนี่เองความจริงถ้าถ้าเราทิ้งได้ด้วยความยินดีนี้มันไม่มันไม่ยากลำบากหรอกที่มันยากลาบากเพราะว่าเราไม่ยอมทิ้งมันกิเลสไม่ยอมให้เรามันทิ้งมันมันสร้างความทุกข์ให้กับเราเวลาเร า, เราไม่มีลาบยศสรรเสริญ ไม่มีความสุขทางตาหูจมูกเล้นกายแต่ถ้าเราไม่มีกิเลสเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีคุณไม่มีประโยชน์กับเราเราทิ้งไปนี่มันไม่ ม, ไ ม, มันไม่ยากลําบากเลยสําหรับพระพุทธเจ้าเนี่ยการเสด็จไปอยู่เป็นขอทานนี่เราอย่าไปคิดว่าลําบากนะใจของพระพุทธเจ้านี่ท่านท่านพร้อมอยู่แล้วพร้อมที่จะเป็นขอทานท่านพร้อมที่จะอยู่แบบไม่มีอะไรในใจของพระเจ้าจึงไม่ลําบาก แต่พวกเรามันไม่พร้อมพอเราเห็นว่าจะต้องไปอยู่แบบพระพุทธเจ้านี้เราก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก่อนทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้ไปเลยมันต่างกันตรงนั้นเราจึงไปกันไม่ได้ไงเพราะเรากลัวเราถูกกิเลสหลอกให้เรากลัวความอยู่แบบยากจนแบบไม่มีอะไรแต่ความจรงิงการอยู่แบบยากจนแบบไม่มีอะไรนี่แสนจะสุขแสนจะสบายเรากลับมองไม่เห็นกันเพราะเราเป็นคนเหมือนคนติดยาเสพติดนี่ไง คนติดยากับคนไม่ติดยาคนเสพยากับคนไม่เสพยาใครจะสบายกว่ากันลองเปรียบเทียบดูคนไม่เสพยาเวลาไม่มียาเสพไม่เดือดร้อนแต่คนที่เสพยานี้เวลาไม่มียาเสพนี่เดือดร้อ น, น, วออนพวกเราก็เหมือนกันพวกเราเสพราบยศสรรเสริญเสพความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันพอเราไม่ได้เสพปับ๊บเป็นยังไงทรมานใจไหมเวลาแฟนไม่อยู่เราต้องอยู่คนเดียวอย่างนี้ เวลาเราต้องอยู่บ้านออกไปข้างนอกไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนยช่วงปีใหม่เข้าไปฉลองกินเลี้ยงกันส่งท้ายความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันเราไม่สบายต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในบ้านเนี่ยเรารู้สึกอย่างไรเราก็รู้สึกทุกข์แต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่สนใจกับเรื่องราวเหล่านี้ไม่สนใจที่จะออกไปฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อยู่อยู่บ้านมันกลับสบายกว่าไม่เหนื่อยนอนหลับสบายไม่ต้องไปอดตาหลับขับตานอนมานั่งนับนาฬิกานับไปทําไมบ้ากันหรือเปล่ปามันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้อยู่ทุกวันแล้วต้องมาคอยนับถอยหลังกับมันทําไมมันก็ถอยของมันอยู่ตลอดเวลาคืนนี้มันก็ถอยนะไม่คืนนี้ไม่มานับกันเนี่ยพอเรายังเสพเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ เหมือนกับคนเศษยาเสพติดนี่เองพอเวลาได้ไม่เสพมันก็เลยเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาพอเราคิดถึงว่าเราต้องไปบวชนี่โอ้โหก็คิดถึงว่าหัวทุกข์ทรมานใจแล้วปีใหม่จะไปฉลองกับเขาก็ไปไม่ได้แล้วจะไปนอนกับแฟนก็นอนไม่ได้แล้วพอคิดแค่นี้ก็เลยไม่อยากจะบวชนี่เราถูกถูกกิเลสมันขัดขวางไม่ให้เราเห็น เ็าเห็นคุณค่าของการไม่ติดสิ่งต่างๆว่าเป็นสิ่งที่ดีไม่ติดยาเสพติดดีกว่าติดยาเสพติดนะไม่ดื่มโุราดีกว่าดื่มสุราเรามองไม่เห็นกันแต่คนที่มีปัญญาจะเห็นพอเห็นแล้วเขาก็เลยสละของพวกนี้ได้อย่างง่ายดายพระพุทธเจ้าเห็นโทษของลาบยศสรรเสริญเห็นโทษของความสุขทางตาหูจมูกนกิ้กายพระองค์จึงสละของพวกนี้ทิ้งไปได้อย่างง่ายดาย เาหมือนเหมือนกับเห็นยาพิษนี่เองถ้าเราเห็นว่าเครื่องดื่มที่เราจะดื่มนี่มียาพิษเราจะกล้าดื่มไหมเราไม่ดื่มเราทิ้งมันทันทีเลยอย่านี้เราไม่มีปัญญาไม่เห็นเราไม่เห็นว่ามันเป็นยาพิษเรากลับเห็นว่ามันเป็นของดีพอดื่มเข้าไปแล้วก็สแสลงใจทุกใจนี่ละาฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าพระพุทธเจ้าทุกยากลำบากนะ ท่านไปอย่างสบายท่านมีถ้าไม่สบายท่านไม่ไปหรอกไปไม่ได้อย่างพวกเราเนี่ยเราคิดว่ามันทุกข์ยากลําบากกันเราจึงไปไปไม่ได้กันเพราะเรามองไม่เห็นความจริงว่ามันไม่ทุกข์ยากลําบากเลยมันแสนจะสบายจะตายไปลองทําดูสิเอาสักเดือนสองเดือนดูไปไปอยู่แบบนักเบื่อ ด, ดูสักเดือนสองเดือนมันไม่ยากหรอกถ้าเราไม่ติดสิ่งนั้นสิ่งนี้ ที่มันยากเพราะเรายังติดสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่พอไปแล้วไม่ได้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้ดื่มไม่รับประทานสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดความทุกข์ยากลําบากใจขึ้นมาจะมันจะยากอะไรไปนั่งเฉยๆนี่มันยากตรงไหนเนี่ยการไปบวชนี่แค่ไปนั่งเฉยๆไม่ให้ไปทําอะไรแสนจะสบายข้าวกฟรีอาหารก็ฟรีที่อยู่ก็ฟรีน้ําก็ฟรีอะไรฟรีหมดเลยงานก็ไม่ต้องทำ งานก็เล็กๆน้อยๆกว่าดทูสารากว่าทุกุติกว่ากวาดลานวัดมันซักจีวรของตนเองเท่านั้นเองเน้นยากลําบากตรงไหนเลย <Yeah. S 2> กลับไปเห็นว่ามันยากทุกยากลําบากไอ้ hmm. อย่างพวกเรานี่ต้องไปทำหมากินตื่นแต่เช้าต้องไปตะเลงตะเลงติดรถอยู่ในเมืองต้องไปวุ่นวายกับคนนั่นคนนี้นี่กลับไม่เห็นว่ายากยากจะตายไยวุ่นวายจะตายไปกลับเห็นว่าเป็นของง่ายไป mm hmm. ของง่ายกลับเห็นว่าเป็นของยาก ของยากกลับไปเห็นว่าเป็นของง่ายนี่เขาเรียกว่าเห็นกับตาลปัดเนี่ยความหลงมันจะทำให้เราเห็นอย่างนี้เห็นกลงจากเป็นดอกบัวนี่ยพรอาจารย์ครับพ่อชงเจดนะครับมีมีคืออะไรมีความหมายอย่างไรและมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติไมครับพอาจารย์ก็เป็นก็เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้บรรลุมรรคผลได้พานนี่ย พูดชงว่าก็มันก็ ม, ก, มกดีดนี่เอละเพียงแต่ว่าท่านแสดงในอีกรูปแบบหนึ่งแทนที่จะเป็นมรดแปดท่านก็เป็นโพูดชงเจ็ดมันก็มีสติสติในมรดแปดก็มีสติ ม, มีสติมีอะไรมีอุเบกขาเออมีมีวิริยะเออมีความเพียรมันก็มรดอยู่ดีนี่แหละเพียงแต่ว่าท่านแสดงได้อีกมุมหนึ่งในอีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นเอง ทานศีลภาวนาก an. ็แบบเดียวกันมันก็เป็นมรรคเหมือนกันมันก็ทําให้ไปมบรรลุมรรคผลนิพพานได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเวลาท่านแสดงให้กับนักศึกษาระดับไหนก็ต้องแสดงให้เหมาะสมกับภูมิปัญญาของนักศึกษาในระดับนั้นท่านนั้นเองแต่ทุกคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็สอนเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานเท้งนั้นโพชฌงเจตนี้อาจจะถือว่าเป็น เป็นมักขั้นสูงสุดก็ได้ท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องบางอย่างเช่นเรื่องทานไม่ต้องพูดแล้วเพราะทำมาแล้วถึงไม่ต้องพูดในในโพชฌงนี้จะไม่มีทานเรื่องศีลก็ไม่ต้องพูดแล้วเพราะว่าคนที่ปฏิบัติถึงขั้นนี้ได้ทำทานแล้วมีศีลแล้วอยู่แต่ขั้นขั้นของวิปัสสนากับสมถะปาวนาเท่านั้นเองก็เลยแสดงโพชฌงคือสแสดงให้กับผู้ที่มี ศีลสมาธิแล้วมีทานศีลสมาธิแล้วแต่ยังไม่มีปัญญายังไม่มีวิรยิยะไม่มีสติอะไรอย่างนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นทำ้งหมดที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนี่ก็คือมรคนี่เองวิธีสู่การดับของความทุกข์พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าคำสอนของตถาคตนี้ถึงแม้จะมีมากมมยกายกองเรียกว่าประมาณแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ย ่ก็มีเนื้อหาสาระอยู่เพียงอันเดียวเท่านั้นเหมือนกับน้ำในมหาสมุทรถึงแม้จะ ก, กว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็มีรสรสเดียวเท่านั้นน้ำในมหาสมุทรมีรสอะไรก็รสรสของความเข็มนี่เองธรรสอนของพระเจ้าทุกคำสอนก็มีไว้เพื่อดับความทุกข์นี่เองมีเท่านี้สอนทุกอย่างนี้สอนเพื่อให้ดับความทุกข์ภายในใจ แต่ระดับของผู้ฟังนี่มีหลายระดับต่างกันก็เลยต้องสอนให้เหมาะสมกับระดับของผู้ฟังเท่านั้นเองเหมือนกับเราสอนประวัติศาสตร์ให้กับเด็กป .1 แล้วก็สอนแบบง่ายๆไม่ลึกพออยู่อยู่ชั้นมัธยมแล้วก็สอนลึกขึ้นไปกว้างขึ้นไปถ้าอยู่คันอุดมศึกษาก็มากกว้างขึ้นไปใหญ่ละเอียดเข้าไปใหญ่มันก็สอนเรื่องเดียวกันแต่ความลึกตื้นหนาบางมันต่างกันเท่านั้นเอง แล้วปฏิจจสมุปาทนะครับอาจารย์อันนี้เป็นการแสดงถึงเส้นทางเดินของของของของข อ, งอวิชชาที่มีอยู่ในใจของเราอาวิชชาก็คือความหลงพอเรามีความหลงความหลงก็จะหลอกให้เราคิดไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้วกายไปหาลาภยศสรรเสริญพอหาได้แล้วก็เกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นเกิดตัณหาอยากได้เพิ่มมากขึ้นมีมากขึ้น เราเกิดตัญหาเกิดอุปทานก็เกิดภาวะเกิดการแสวงหาเพิ่มขึ้นการแสวงหาเพิ่มขึ้นก็เกิดการไปเกิดใหม่นั่นเองเนี่คือการเส้นทางของการทำงานของของอวิชาที่มีอยู่ในใจเราเป็นตัวที่คอยผลักดันให้ใจของเราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราเอาธรรมะเอาความจริงมาลบล้างอาวิชาคือความหลงความไม่รู้ความจรงิง ความจริงคืออะไรก็อนิจจังทุกขังอนัตตาอริยสัจสีพอเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจสี่เราก็จะไปทําลายวิชาความหลงพอเราไม่มีความหลงเราก็จะไม่มีความอยากที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายพราะเราเห็นว่ามันมีความทุกข์เราจะไม่ไปเสพยาเสพติดนั่นเองไม่ต้องไปหาเสื้อยาเสพติดอยู่เรื่อยๆการกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆก็เหมือนกับการไปหาซื้อยาเสพติดอยู่เรื่อยๆ พอร่างกายนี้หมดไปก็เหมือนยาเสพติดหมดก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปซื้อร่างกายใหม่มาเสพต่อเท่านั้นเองพอเราเห็นความจริงแล้วว่าการหาความสุขจากยาเสพติดนี่เป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุขแล้วก็หยุดหาพอเราหยุดหาใจของเราก็นิ่งสงบเป็นนิพพานไปนี่คือเรื่องของปฏิจจสามมุตบาทมีเท่านี้หละเราอย่าไป อ่าแล้วไปเรียงลำดับมันมันไม่มันมันไม่สามารถทำให้เราบรรลุหรือทำลายวิชาได้วิธีที่จะทำลายวิชาก็ต้องสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาเท่านั้นเองแต่นี่เป็นเพียงการการการแสดงให้ให้เราเห็นภาพของการการดำเนินกิจการของกิเลตตัณหานี่เองว่ามันหลอกเราอย่างไร จะถามว่าเวลาใส่บาตรตอนเช้าจําเป็นหรือไม่ต้องรอง ใ, หหให้พระท่านให้พรให้พรไม่ต้องให้พรไม่ต้องให้พรเรื่องให้พรไม่เกี่ยวกับการใส่บาตรใส่บาตรก็ใส่ไปนี่ใส่บาตรแล้วพรมันก็เกิดขึ้นในตัวเราแล้วออก็ที่ใบ้พอดีได้ฟังมาบอกว่าพระให้พรไม่เตือนห้าคำเป็นแบบจริงไมหมค่คือพระเวลาบิณฑบาตท่านไม่คุยกับใครไงท่านให้สำรวม ความเห็นพระบ้านที่แบบเดินใจกอดก็ก็ไม่รู้เรื่องกันไงเมันสมัยก่อนเขาไม่ไม่มีใครเข้าใส่บาตรให้พรกันหรอกเขาสายบาตแล้วท่านสํารวมไม่พูดไม่กับใครทั้งนั้นก็มันมันเพี้ยนไปหมดแล้วไงมันมันมาบวชแล้วมันไม่เรียนกันเรียนก็เรียนกันแบบผิดผิดกันมันก็เลยไปกันใหญ่อย่างนี้พระที่ไม่ให้พรกันเลยกันไม่ใช่เป็นพระไปซะแล้วออา ไปอยู่กับกูบาจามากี่ปีไม่เคยเห็นท่านให้พรใครเวลาบินทบาอืาเขาบอกว่าให้ห้ามให้ปล่อยเานะไรใชคะก็ไม่รู้แหละมันได้เทะไปหมดแล้วจะข้างไม่อยากจะไปพูดอะพูดแล้วเดี๋ยวแล้วก็ไปสกปรกกับเขาด้วยไปเปดไปแปดเปื้อนไปกับเขาด้วย จ, จะพูดจะคนละคนบอกว่าไม่ได้เพราะว่าเคยบุญญาตยายให้สอนมาแบบนั้นต้องรอถ้ให้สอนพอมันไม่ได้จากการที่พระพูดหรอก คำพูดมันจะเป็นพรขึ้นมาได้ไงใช่ไหมงั้นถ้าเป็นพรก็ไม่ต้องใส่บาทให้นิมนต์ผ้ามาให้พรก็หมดเรื่องไปตอนนี้ใส่บาตก็เลยบอกนิมนต์อ่าไปเลยไม่ต้องให้พรละอ่าหนูได้รับแล้วพรอ่พรเกิดขึ้นจากการกระทําเออาทาทานเราก็ได้พรแล้วเราได้ความสุขใจแล้วนี่ก็ดีเป็นพรแล้ะเป็นผลละอ่า ใช่การยิงการให้พรนี้เป็นการสอนถ้าเราแปลคําำคาให้พรของพระนี่มันเราจะเข้าใจว่าท่านสอนเราว่าเ อ, อ่อการทําทานนี้จะทําให้เรามีความสุขจะให้เรามีความเจริญด้วยอายุวันะสุขะภะละนี่เองเนี่ยที่ท่านพูดมีท่านี้ไม่ใช่เป็นคนท่านเป็นคนเสกอายุวันะสุขะภะละให้กับโยมเป็นไปได้งไงนั่นเมื่อพระมาขอโยมกินเนระาจะไปเอาสุขะภะละให้กับโยมได้อย่างไง มาขอสุขภาระจากโยมเมื่อเนี่ยเวลาไปบินทบาทเนี่ยพระเนี่ยมาขอพรจากโยมรู้เปล่ามาขออายุวันนัสุขภาระได้ข้าวมันถึงจะได้มีอายุใช่ไออถ้าไม่มีข้าวกินมันจะมีอายุอยู่ได้เปล่าคนมาข อ, อเขาเลยจะมาให้เขาได้ยังไงอ่าให้ก็มันก็ไม่รู้ให้อะไรมันให้ลมปากแท้ ทุกคนต้องต้องให้ตนเองให้พรกับตัวเองด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนานี่แหละคือวิธีการให้พรเอาล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาถ้าไม่มีใครจะถามอะไรก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด วันที่สามที่แปดกันหนึ่งมีแสดงทางบนเขานะครับนบนเขานะครับมีครับวันที่สามที่แปดวันพุธไอ้วันอังคารกับวันพุธนะครับเวลาเวล า, วเวลาเดิมครับข้างล่างก็มีครับข้างล่างศาลาฉันก็เวลาเดิมแปดโมงเช้า